ความที่หิวทาและอิ่มทาผิดกับความหิวและความอิ่มในสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตคำว่าจิตหิวทานี่เราก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในทามีความบื่รดื่มอยู่กับทา มากน้อยเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดุดเดือมกับสิ่งอื่นๆซึ่งเกี่ยวไปด้วยความทุกข์ซึ่งแฝงกันไปในขณะนั้นความอิ่มทาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกท่านเรียกว่าปีติคือความ อิ่มใจปิตินี่จะมีไปเรื่อยๆาตามขั้นแห่งธรรมถ้าทาจิดใจละเอียดปิติก็ละเอียดติตใจห ย, ยาบนังหยาบอยู่ปิติแสดงขึ้นก็หยาบบางลายก็ท่านถึงเรียกว่าอุเพงคาปิติคืออย่างผ่าถอนก็มี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 ทพบความรู้ความเห็นความได้ทำผิดกับความรู้ความเห็นความได้สิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงอัดทำยิ่งแสดงทำขั้นสูงเท่าไรลักษณะสูงเสียงหรือเนื้ออาจเนื้อทำจะมีความเข้มข้นเป็นลาดับลาดับ จนถึงกับอาจคิดได้ว่าท่านอาจมีโทสะหรือมีอะไรไปทำนองนั้นความจริงแล้วพราะความอยากให้รู้ให้เห็นเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันที่แสดงออกมาด้วยความเข้มข้นนั้นแสดงออกมาจากจิตใจที่มีความมุ่งมั่นมีความหวังต่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายและ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 มีความคิดได้ตุงได้สำคัญมั่นหมายได้ติดได้รากได้ชางได้เะเอียดได้โกรธได้ทุกการสถานที่และเอียบทต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีสิ่งที่จิตจะคิดไปเกี่ยวข้องเป็นก็เป็นของที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่คิดที่ปรุงขึ้นมาภายในจิตใจก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู่ ต่างอันต่างนี้อยู่ด้วยกันจึงคิดได้ติดได้ด้วยกันทั้งนั้ น, นเัาเรียก ว, ว่าธรรมนั้นเปิดเผย อ, อยู่ตลอดอยูล้นอกจากสติปัญญาของเรายังไม่สามารถที่จะทราบความจริงหรือเปิดจะเปิดเผยความจริงนั้นออกมาด้วยอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้น <c oughs> จึงเป็นลักษณะรุ่มนุ่มดอนดอนวันนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้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 อย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าแม้เช่นั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายทุการา้ซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์ท่าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีจะไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาดสลดสลายทีนี้เราผู้เป็นลูกผิด ข, ของท่าน ก็มีความหนาบางต่างกันตามประดิษฐนิสัยหรืออุป น, นิสัยของคนเช่นเดียวกับน้ำมีอยู่ในพื้นดินนี้น้ำมีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกตื้นต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอนล้ําับางแห่งขุดลงไปซกจแลึกตืนงกเน้บางก็ุดลงไปไเรจอแลึกืนก่งเน้นาก็ลงไปไเรจอนื้ํ่าง น, นั้นแงเจอ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 นี้เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกที่จะต้องเป็นในธรรมสีตามธรรมสีตการนี้บีกเลี่ยมไปไม่ได้เป็นแต่เียงไม่ทราบว่ารายใดจะเข้าในลักษณะใดแห่งการปฏิบัติของปฏิบัติทาทั้งสีน่นี้เราเราเองก็ก็อยู่ในข่ายแห่งปฏิบัติทาทั้งสี่นี้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 ้าจะทําคือความกินนี้ขึ้นมาให้เปิดเผยได้อย่างประจักษ์ในภายในอันวดเรจรึงต้องอาศัยความพยายามสำคัญที่ความภาคเพียรเราอยากถอยนี่เป็นทางของนักปราชญ์เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไ ป, ปโดยลำดับไม่ใช่ทางที่จะอับเช้า เ, าเบาปัญญาหรือตกนรก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 เป็นหน้าที่ของเราจะเข้าสู่แม่รลกเมื่อได้อาวุธไม่ใช่หน้าที่ของผู้อื่นใดที่จะทำหน้าหน้าที่ในการรลกด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาแล้วนั้นทุกเพียงไรก็ให้สราบทุกเพราะความเพียร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 สากะยะบุตรผู้ลูกสถาคตเวลาทําความภาเคเพียรก็ไปทุกขกับเรื่องความเพียรการแก้ทกิเลสต่อสู้กันกับกิเลสตัวเภศต่างๆเพราะกิเลสบางตัวเภทก็ผาดผลมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเราหมานันเราจะกดเข้าลงอยู่ใต้อํานาจนั้นย่อมเป็นของลําบากไม่ใช่ น, น้อยๆเราเองก็ยัง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 บางจลิตนิสัยชอบนอนก็มไม่หลับนอนพิจารณาอยู่งั้นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าเจลิตนิสัยต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในใ น, ในเวลานอนเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งต่างต่างกันอย่างนี้ตามจลิตนิสัยแล้วความภาคยันทุก ป, ประเภทเป็นเรื่องที่จะถอดจะถอนจะ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 การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อย mm. เมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็ต้องมากไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากรากเหง้าเข้ามูลของมันคือหวัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นเ mm. พราะฝังจมกันมาหนาเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทะเนว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อนหนึ่ง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 เพราะทารวมตัวเข้าแล้วมีกําลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปในจุดเดียวกันพร ะ, ะห้ารวมลงนั้นอิธิบาต ท, ทั้งสี่รวมลงที่จะทุม่มลงพานา จ, จิตใ จ, จที่เต็มไปด้วยขี่เด็ดทั้งหลายนั้นยากก็เพลิดอารมณ์คำว่ายาก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 สติปัญญาขั้นนี้จะไม่มียอมไม่มีถอยขุดค้นอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนค้นหาเหตุหาผลเสาะ น, นั่นสแสวงหานี้ขุดคุ้ยไปจนตากฏขึ้นมาพอรากฏตัวกิเลส ข, ขึ้นมาปาั๊บจับเมื่อ น, นั้นอามันเข้าไปค้นคว้างเข้าไปจนได้เหตุได้ผลแล้วปล่อยวา ง, งาการแก้กิเลสต้องแก้ไปเป็นลำดับลาดับเช่นนี้ก่อน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 เล็โตขนาดไห น, นตัดด้วยปัญญาตัดด้วยปัญญาขาดลงไปขาดลงไ ป, งไปผมดูภาพกันยังเหลือหัวต่อถอดหัวต่อถอนหัวต้ อ, ตอนี่ถอดยากถอนยากแต่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นชั่วเดียงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยแหละความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาคเพียน ม, มามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราเมื่อกองทุกข์ทั้งมวลมากน้อยเพียงไร ซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทลายลงไปหมดเมื่อำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆด่างจากรบำบังทั้งหลายนั้นคุ้มค่าตายก็ตายไปเถอะตายโดยความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเพียรเป็นอย่างไรบ้างประจักษ์กับติดทั้งตนเองนี่การบาเพ็ญเพียร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 เนืนามันเกิดขึ้นมาก็สัต์แต่ว่าสลายงไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุกทุกอาการทุกอาการเป็นบรรดับบําดับไปอืผลสุดท้าจิตที่เรามีความนักความสงวนอย่างยิ่งด้วยอํานาจแห่งกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านเรียกว่าจิตตานุ ป, ปัฏฐานนี่มันสัตย์แต่ว่าจิต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 ต้องระเบิดหมดทั้งอุโมงนั่นนะอ่ะให้มันแตกไปหมดระหว่างไงนี่ก็เหมือนกันระเบิดเข้าไปหมดเลยตรงนี้อุโมงคือจิตนี่อา้าวถ้าจิตเป็นผู้จริงจริงๆทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความจริงจริงจิตจะไม่ชิพไถ่จะชิพไถ่ตั้งแต่จริงที่เป็นสมมุติท่นั้นธรรมชาติตัวจริงของสมมติแท้จะไม่อแล้วอะไรจะเป็นสมมติคำว่าจิตจะเป็นสมมติอา้าวถ้าจิตยังสามารถจะเป็นสมมติดได้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 ค่อยหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ขอตงตนไปเองไปตามหลักธรรมชาติของสติปัญญานอกจากเราจะนํามาใช้ในการตามการตามเวลาในแง่ต่างๆหรือภุระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทําลายกิเลสขึ้นอมาถ อ, ถอนกิเลสด้วยปัญญาดังที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถอดตอนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่ของตัวไป ที่ยังเหลืออยู่เหลือสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากก็ได้แก่ความบริสุทธิ์คือผู้รู้ลว้วนๆนี้ผู้นี้แหละเป็นผู้พ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงพ้นจากสมมติอดประการทั้งปวงแล้วส่งไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนความหลุดพ้นหลุดที่ไหนมันติดข้องอยู่ที่ไหน เมื่อพ้นจากความติดข้องแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่ามนุษย์เทนั้นดูเหมือนลดมาจิดเพียงเท่านีม้มันเข้ามาขึ้นเนอใช่ไหม